อตาตมาจะขอถ ว, วายพระพรพระมาหาบพิตในด้านของพุท ธ, ธจริตคําว่าพุท ธ, ธจริตแปลว่าจิต ท, ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ของความฉลาดนี่ท่านที่มีจริตเนื่องในความฉลาดหรือว่ามีอารมณ์ในความฉลาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้คำมั่ฐานสนับสนุนไม่สี่อย่าง <c oughs> จริตตั้สอรายการคือศรัท ธ, ธาจริตกับพุทธจริตนี่องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรทรงยกย่องสนรเสริญว่าเป็นจริตที่จะพึงเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัท ธ, ธาจริตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กรรมฐานสนับสนุนไว้ในขั้นพระโสดาักับสหิทาคา สำหรับพุทธเจริตนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงให้พระกรรมฐานสนับสนุนไว้เข้าถึงอรหัตผลยิ น, นองค์สมเด็จพระทศพลเห็นว่าเป็นคนฉลาดจึงได้ให้กรรมฐานเฉพาะคนฉลาดไว้เพื่อปฏิบัติสำหรับท่านที่มีอารมณ์เป็นพุทธจริตจะสังเกตได้ง่าย ว่าเป็นคนมีสมองไวมีความเฉลียวฉลาดสามารถแต่หตการทั้งปวงเกือบทั้งหมดพิชาการใดๆซึ่งไม่เคยศึกษามาในการก่อนแต่มีนิสัยในการลอกแบบนี้อย่างหนึ่งนิสัยคนควาด้วยสมองของตนเองอย่างหนึ่งโดยใช้การสังเกตการ เอกว่าเป็นการศึกษานอกมหาวิทยาลายัยแลืว่าการศึกษานอกโรงเรียนท่านคนประเภทนี้ที่มีจริตแบบนี้สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เกือบทั้งหมดถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของมนุษย์ธรรมาดาและก็สามารถจะผ่านสายตาไปได้แล้วท่านประเภทนี้ทำได้ คำว่าไม่สามารถจะไม่มีสําหรับท่านที่มีนิสัยเป็นพุท ธ, ธจริญเพราะามีจิตอบรมมาแล้วดีดีในดีแต่ชาติดันั้นองค์สมเด็จพระบรมมกกนนรรคกนัดจึงให้กรรมาฐานเฉพาะคนฉลาดไว้สําหรับท่านที่มีจิจเป็นพุท ธ, ธจริตขอประทานขอใช้คําว่าว่าเป็นคนฉลาด <c oughs> พุท ธ, ธจริตคือคนฉลาด สมเด็จระเบรมมาลกนาาให้กรรมฐานเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติด้วยความนึกคิดว่สี่อย่างคือหนึ่งมรณ า, านุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์สองจะตุธากทาทาไรมฐานสี่พิจรารณากันห้าว่าเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุ ด, ดินธาตุลมธาตุไฟเนอสามอาหาเรปริโกูรสัญญา พิจารณาหารว่าเป็นของสกปตกไม่ติดในรสอาหารไม่ติดในกลิ่นและในสีของอาหาร <c oughs> ไม่มัวเมาในเรื่องของอาหารและสี่อุปสมานุสติกรรมฐานนึกถึงพนันพานธเป็นอารมณ์รวมความว่ากรรมฐานแนี่สี่อย่างนี้ถ้าคนไม่ฉลาดมีความขาดในชีวิต เขาจะไม่ยอมคิดถึงความตายเป็นสำคัญเมื่อคิดถึงความตายขึ้นมาเมื่อไรก็มีแต่ความหวัดวั่นแต่สำหรับท่านที่ทรงปัญญาสูงคือพุท ธ, ธจริญจะมีอารมณ์คิดถือว่าความตายเป็นของธรรมดาไม่ใช่ของแปลกเพราะทราบอยู่แล้วว่าคนรละสัตว์เกิดมาเท่าไหร่ตายหมดเท่านั้น คนทุกคนต่างคนต่างเดินเข้าไปหาความตายด้วยกันทุกวันทุกเวลาจึงเห็นว่าความตายเป็นกีฬาของชีวิตคำว่ากีฬาเป็นการสนุกเป็นการสแสดงออกเป็นการออกกำลังทำให้ร่างกายเื่อนเริงทำให้ร่างกายแข็งแรงมีความเื่อนเริ อ, อย่เป็นปกติและคาว่านักกีฬาจริ ง, รงๆไม่ใช่อันดับพันเท้าช่วย ก็จะเห็นได้ว่าท่านพู้นี้มีความรื่นเริงหันษาตลอดเวลาข้อหนึ่งสุขภาพดีสุขภาพทางร่างกายดีสุขภาพทางจิตใจดีมีการเสียสละยังเรียกว่านักกีฬา <c oughs> สําหรับท่านที่มีปัญญาฉลีดประเภทพุทธจริญท่านจะมีอารมณ์จิตแห่งความตายเป็นกีฬาของชีวิตเพราะ น, นักกีฬาว่าพูดถึงการแข่งขันกีฬาเมื่อะไร่ ความกระปรีก้กระเปร่าจะประกกากฏกระจายซะทันทีมีความยินดีเรื่องการที่จะเข้าแข่งขันในแสดงกีฬาเพราะว่าเป็นกิจวิ่เขาจะพึงทํำร้อมที่จะลงส น, นามเสมอทั้งส น, นามซ้อมและส น, นามแข่งขันแม้ว่าจะมีความเหนื่อยอยากมีความร้อนมีความหนาวเพียงใดก็ตาม ท, ทีท่านั้งหลายเหล่านี้ไม่หยอดท้อแต่การฝึกซ้อมและการแข่งขันข้อนี้มีประมาชั้นใด สำหรับท่านที่มีน้ำใจฉลาดจัดว่าเป็นประเภทพุท ธ, ธจริญมีอารมณ์คิดค้นคว้าหาความจริงอยู่เป็นปกติยังมีความรู้สึกว่าความตายเป็นกิลาของชีวิตทั้ง น, นี้ก็เพราะว่าจจคิดว่าเป็นกีลาและไม่เป็นกิลาก็ตามวันเวลาล่วงไปล่วงไปชีวิตเครื่องของใ์ ก, ก็เคลื่อนไปหาความตายทุกคนนะ นั้นท่านนี้ที่มีความเจรละจะมีความรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องปกติของขันห้าคือร่างกายยังไงยังไงก็ต้องตายกันแน่จะตายเชาวตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวันเจ็บเจ็บป่วยตายแก่ตายไปเองแล้วมีอุปัติเหตุตายไม่สำคัญตายเหมือนกันหมดในเวลากำหนดของความตายของชีวิตเป็นของไม่แน่นอน อาจจะตายเมื่อแก่อาจจะตายเมื่อวัยกลางคนอาจจะตายเมื่อหนุ่มสาวอาจจะตายตั้งแต่เป็นเด็กบางคนถ้าเกิดมาไม่ทันจะพ้นขั น, ขนเขามารดาก็าตายนี้เป็นอันว่าความตายเป็นกีฬาประจำใจของท่านผู้เป็นพุทธเจริตมีจิตที่มีอารมณ์ฉลาดจึงมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการเกิดแล้วก็เดินเข้าไปสู่ความตายเป็นปัจจัยของความทุกข์ ที่พระพุทธเจ้าสรงตัสว่าชาติที่ทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์คนกว่าจะเกิดขึ้นมันได้ก็แสนลําบากก่อนที่จะเกิดมาจากไหนเราไม่ทราบแต่ถ้าว่าขณะที่อยู่ในคันมารดาถ้าเราเงยนิกน้อมใจเข้าไปว่าดูภาพของเด็กในคันจะนั่งอยู่ในสภาพคุดคู่เหยียดเท้าเหยียดมือก็ไม่ได้ มีสภาพเหมือนกับว่าคนนั่งกอดเขา่านั่งชันเขา่าใช้เวลาประมาณสิบเตือนนับจนจเริ่มปฏิสนธิเนี่ยปฏิสนธิใหม่ๆจิตก็สู่คันของมารดาสภาวะของก้อนเลือดยังไม่ใหญ่พระยังรู้สึกก็มีความสบายสำหรับพ้องนั้นมีอุปมาเหมือนกับคนนอนอยู่ในห้องกว้าง เพื่อต่อมาก้อนเลือดนั้นจับ ก, กลุ่มมากขึ้นเป็นร่างกายขึ้นมาก้อนโตเท่าไรก็ปลายกดกรห้องคือคันของมารดา น, นั้นแคบลงไปทุกทีในที่สุดเมื่อร่างกายนี้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเต็มที่ก็ปลายกดกระห้องคับตัวไม่สามารถจะเหยียดมือเหยียดเท้าออกไปได้อาการอย่างนี้มันเต็มด้วยความทรมานกายทรมานใจ จะปวดจะเมื่อยเป็นอะรการใดก็ตามทีขยับก็ยิ่งกายไม่ได้ไมันเป็นการทรมานอย่างที่สุดขณะที่อยู่ในครันมารดาก็แสนจะลําบากถ้ามันดาบริโภคอาหารร้อนเกินไปเผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปหรือว่าเคลื่อนไหวกายมากเกินไปเด็กที่อยู่ภายในก็มีความลําบากมีทุกขเวทนา ทำให้เกิดความไม่สบายใครไม่สบายใจเกิดขึน้นความจริงการอยู่ในคันเขมรดาเต็ไมไปด้วยความทุกข์นี่ว่าชาติพุทกค้ขขาความเกิดเป็นทุกข์แต่คนมองไม่เห็นความจริงไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อก็น่าจะคิดด้วยตาของปัญญาเมื่อใสปัญญามีอยู่คุณจะรู้ได้สาหรับท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริต คือจิตประกอบไปด้วยความรู้หรือจิตประกอบด้วยความสลาดย่อมเห็นโทษของการเกิดท่านต่อยู่ในคภนของมารดานี่เมื่อคลอดจากคันมารดาขณะยืนอยู่ในคันมารดามีความอบอุ่นจากธาตุไฟของมารดาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทําให้ร่างกายสบายเวลาคลอจากคันมารดามาใหม่ๆกระทบความร้อนกระทบความหนาวจากอากาศซึ่งสัมผัสใหม่มีการแสบตัว ยิ่งร้องเจ้าออมาแต่หมอตำแยบางคนเข้าใจว่าเด็กร้องเสียงดังมีความแข็งแรงดีได้ความจริงไม่ใช่ความแข็งแรงของเด็กก็อาจจะเป็นความแข็งแรงคนได้แต่ ก, การร้องนั้นไม่ใช่ดีใจหรือว่าไม่ใช่มีความพอใจใดๆเป็นการแสบกายที่ทนไม่ไหวเพราะมากระทบกระทั่งกับอากาศที่ไม่เคยสัมผัสมาในการก่อน <c oughs> มีความหนาวและความร้อนเป็นต้นทนไม่ไหวจริงรองนี่จะเห็นได้ว่าแม้แต่คลอดจากคันมารดาก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วไม่เป็นเรื่องต่อมามเมื่อคลอดจากคันมารดาอาหารที่เคยอยู่ในคันได้รับการสัมผสัสคืนหล่อเลี้ยงจากคันของมารดามารดาบริโภคอาหารอะไรเข้าไปร่างกายก็ผิดอาหารส่งให้เด็กทางสมอง แต่กันออกจากคันมารดาและโอกาสนั้นไม่มีคราวนี้เกิดความลำบากใหญ่หิวขึ้นมาเมื่อไรมารดาไม่ทราบบคคลผู้เลี้ยงไม่ทราบเขาจะทราบต่อเมื่อเด็กแสดงอาการร้องให้การกฏเมื่อหอู่จนกระทั่งทนไม่ไหวจึงร้องนี่แสดงถึงความลำบากพระพุทธเจ้ากล่าวว่า ชิคช้าปรมาโรคาความหิวเป็นโรคคือปัาการเสรียดแทงอย่างยิ่งนี่เป็นปัจจัยของความลำบากการเลี้ยงตัวเองไม่ได้เป็นทุกข์อุดอุจาระปัสสาวะบิดามารดาผู้เลี้ยงยังไม่รู้ในที่สุดก็ต้องถ่ายราดลงมาทั้งทั้งที่ติ่มมีความเหม็นก็ต้องทนเพราะช่วยตัวเองไม่ได้ปัจจัยส่วนนี้ก็เป็นความทุกข์ เมือมีการป่วยไข้ไม่สมบายก็บอกใครเขาไม่ได้กว่าเขาจะทราบไอ้ความทุกข์ประมาณการเสียแทงทางหลายเหล่านั้นก็แสดงออมาจนมากทนไม่ไหวร้องบิดกายบ้างกำมือกำเท้าบ้างอย่างนี้เป็นตน้นสำหรับคนผู้มีปัญญาคือมีความฉลาดมีความเข้าใจชัดว่าการเกิดเป็นทุกความทุกไม่มีแต่เท่านี้ เมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีความทุกข์ในการปรารถนาในอาการแสวงหาคู่ครองบ้างเมื่อยังไม่ได้สมความปรารถนาก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็เสริมความทุกข์ให้มากขึ้นเพราะว่ากำพังตัวเองมีความสุขพอสมควรทุกบ้างก็ไมมากเมื่อมีคู่ครองก็มา ก, ก็ต้องเอาใจคนอีกพวกหนึ่งไม่ใช่คนคนเดียว ในการกระทบกระทั่งกันซึ่งกันและกันด้วยน้อยความรักเป็นปัจจัยเป็นเหตุนำมาถึงความเศร้าโศกเสียใจเป็นเหตุนำมาทึงอันตรายที่จะพึงถึงตัวที่พระพุทธเจ้ากล่าวาว่าความรักความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายจะพึงมีมาได้จากความรักเป็นปัจจัยถ้าหากว่าเราไม่รักเราไม่พอใจสักอย่างเดียว ใครจะป่วยใครจะตายของจะหายอะไรก็ช่างถ้าไม่สนใจไว้ก่อนความเศร้าโศกเสียใจมันไม่มีที่มีความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานี้กเพราะทุนเดิมมีความรักอยู่ก่อนในองค์สมเด็จพระจินวรทรงเห็นโทษของความรักความหูกพันเกินไปโดยไม่คิดถึงกฎธรรมดา นี่คนที่เกิดมาอาศัยกิเลสเป็นเครื่องนำนาบมีความรักมีความพอใจมีความยิดเหนียวซึ่งกันแกันทั้งด้านสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต้องสลายไปจากไฟความเศร้าโศกเสียใจมันก็ปรากฏเหตุแห่งความรักจะมีขึ้นมาได้ความเศร้าโศกเสียใจจะมีขึ้นมาได้เราก็อาศัยความเกิดเป็นสาคัญ ถ้าไม่เกิดที่อย่างเดียวจะมีอะไรมารักกันจะมีอะไรมาของแหนจะมีอะไรมาเป็นเครื่องแยกตัวกันและจากกันเี่นี้กล่าวว่าอันตรายจะพึงเกิดขึ้นมันได้ก็อาศัยความรักเป็นเหตุในองค์สมเด็จพระบรมาโล ก, กเชตทรงตัดชี้เห็นชัดๆว่าคนที่เรารักก็ดีของที่เรารักก็ดี ถ้าใครมาล่วงละเมิดสิทธิของเราเราพร้อมที่จะป้องกันสิทธิทั้งหลายเหล่านั้นนขณะที่จะเข้าไปป้องกันก็ต้องเกิดการต่อสู้กันป่างกายตนเป็นศัตรูกับบุคคลผู้ละเมิดสิทธิตอนนี้อันตรายจะพึงมีได้ <c oughs> เพราะอาศัยความรักเป็นเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกเชตเห็นว่าท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริตคือมีจิต มีความรอบรู้เป็นคนฉลาดสามารถจะพิจารณาผลแห่งความเกิดว่าเป็นทุกข์ในวิชาที่พิทุขาความเกิดเป็นทุกข์จะเห็นได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจินนทร์สียิ่งสแสดงว่ายิ่งสแสดงให้บุคคลหลายเหล่านี้ทราบชัดว่าท่านจะต้องตายเป็นปกติ <c oughs> แลาก่อนที่จะตายท่านเป็นทุกข์ก่อน ทุกเนื่องจากความเป็นอยู่ทุกเนื่องจากความสัมพันธ์เในเวลาความใกล้จะตายขึ้นมานั้นความทุกข์จากขันห้ามันก็มีมากขึ้นเพราะทุกขเวทนามาบีบขั้นบ ร, ริสัทธ์จนทนไม่ไหวจึงตายนี่เป็นอนุว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศศาสดาทรงทราบชัดว่าท่านที่มีความฉลาดไม่มีความหวั่นไหวในความตายก็รู้ตัวว่าจะต้องตาย ได่กระดู้ตัวเยาว์าการเกิดมาก่อนที่จะถึงตายมันเต็มไปด้วยความทุกข์และความตายนี้ก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจรึงทรงแนะนําให้ท่านนักหลายเหล่านี้ใช้ปัญญาพิจารณากรรมฐานที่มีคนใหญ่ต่อไปเพื่อความไม่ประมาทโดยคิดว่าในเมื่อความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ทุกเพื่อความเกิดเกิดมาเพื่อความตายซั์สินทั้งหลายที่จะพึงหามาได้ด้วยความยากลำบากไม่ดีสุดก็พลัดพรากจากกันเมื่อถึงความตายเข้ามาถึง <c oughs> เมื่อความเกิดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ทุกแล้วก็ต้องตายถ้าตายแล้วเกิดมาใหม่จะมีประโยชน์อะไรก็ต้องกลับมาทุกตามนี้ขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไม่ก็หาความที่สุดไม่ได้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ต่อไปองค์สมเด็จพระสมเด็ประจอมไตรยก็ได้ทรงแนะนําให้หาที่สุดของความทุกข์ให้บเพื่อเดินก้าวเข้าไปหาที่สุดของความทุกข์ คำว่าที่สุดของความทุกข์ก็คือไม่ต้องการมีความทุกข์ต่อไปสำหรับวันนี้เสียงไม่ดีเหมือนกันคอไม่ดีขอพระราชาณาภัยถ้าฟังไม่ถนัดถ้าเสียงไม่ชัดเลราะว่าโทษของขันห้ามรบกวนมากนี่เรื่องมาจากปานนาธิบาตในอดีทชาติมันมารบกวนก็ขอใช้นี่มันไป <c oughs> จนกว่าจะถึงวาระหมดนี่ เข้าใจว่าถ้าพยายามใช่ยอย่างนี้ไม่ช้าก็หมดความสุขก็จะมาถึงในวันหน้าแย่เป็นยังไงก็ช่างในเมื่อร่างกายยังใช้างานได้ก็จะใช้างานให้เป็นประโยชน์ตหลอดไปเพื่อเป็นการสนองความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาสดาที่ส่งสั่งสอนให้จิตใจมีความสุขร่างกายจะทุกข์ก็เชิญทุกข์แต่ใจไม่ยอมทุกข์โดย เพาอยากจะช่วยความทุกข์ให้มันมีความเจริญขึ้นมันจะเป็นยังไงก็เชิญเป็นไปตามอัธยาสัยของมันตายเมื่อไรสบายเมื่อนั้น <c oughs> เป็นอันว่าถี่ว่าความตายเป็นกีฬาเอาอย่างท่านพุท ธ, ธจริตคือท่านเป็นผู้มีจิตฉลาดก็เลยขอตามความฉลาดของท่านถึงแม้ว่าจะไม่ได้รอยเปิดสิ่ได้ติดมาบ้างสักเปอร์เซ็นต์สองเปอก็พอใจ ต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำท่านผู้มีทรงพุท ธ, ธจริตจิตมีความฉลาดว่าความตายในอดีตแต่ชาติมันมีมาไม่น้อยควรจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทำความตายให้ถึงที่สุดหมายถึงความว่าเลิกตายจนสิท้ทีจบความตาย ไม่มีความเกิดต่อไปถ้าไม่มีความเกิดต่อไปตัวทุกข์ที่มาจากขันห้ามันก็ไม่มีอีกทํายังไงจึงจะก้าวต่อไปถึงความไม่เกิดตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าท่านจงพิจารณาขันห้าของท่านว่ามันมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นเครื่องสั่งสมก่อตัวขึ้นมาสมเด็จพระบรเศาสัตร์รัตนายก็ทรงแนะนํา ว่าท่านมีความฉลาดจนแล้วจงใช้ความฉลาดให้เป็นประโยชน์แล้วก็จงเห็นโทษของธาตุสี่ได้จะขันห้าหรือว่าเห็นโทษของขันห้าที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่มองดูขันห้าด้วยเจตนาดีที่เอาความฉลาดเข้ามอ ง, มงไม่ใช่ความโ ง, ง, ง, ง่เข้ามองว่าขันห้าที่เรียกกันว่ามีรูปเป็นนาสัญญาสังขารวิญญาณ สิ่งทั้งห้ารายการนี้มีอะไรสำคัญส่วนสำคัญที่สุดก็คือรูปถ้าไม่มีรูปสักอย่างเดียวเวทนาจะมีมาจากไหนสัญญาเป็คข้อกำหนดรูร้ว่าเราเป็นเรานี่เป็นเรานั่นเป็นของเราจะมาจากไหนแสงขานอารมณ์ที่ปรงแต่งใจให้คิดไปไปาด้อาโกศลจะมีมาจากไหน อิญญาณประสาทเป็นการรับสัมผัสความหนาวความร้อนความยินความความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายในความเจ็บความปวดจากขันท่าจากรูปจะมีมาจากไหนนี่ถ้าไม่มีรูปสักอย่างเดียวขันสี่ต่อไปไม่มีประโยชน์เพราะขันสี่ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นขันที่เกาะรูปเมื่อรูปสลายตัวเมื่อไร่ขันสี่ก็สลายเมื่อนั้น คำว่าวิญญาณในขันห้าไม่ได้หมายถึงจิตในสมัยนี้เขาใช้ศัพท์ประพศาสตร์เป็นการสมควรเห็นว่าถ sure so, ูกต้องควรจะนำศัพท์นี้มาใช้ตามศัพท์สมัยใหม่จะได้เข้าใจกันชัดเพราะหลายท่านเอาจินยานกับจิตเข้าไปผสมเสกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครเป็นเหตุทำให้จิตใจฟั่นเฟือนจับจดแห่ความจริงไม่ได้ นิองสมเด็จพระจอมใจทรงชี้ชัดตรงไปบอกว่าเรื่องที่ยังมีความทุกเนื่องจากร่างกายก็เพราะธาตุสี่เป็นสําคัญธาตุธาตุสีไม่ก่อตัวขึ้นมาร่างกายแล้วขันอีกสี่ขันที่เรียกว่มมาขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาแสงขาวิัญญาณเพื่อตัดรูปออกรูปเป็นธาตุสี่เวทานาสัญญาแสงขาวิัญญาณมันก็มีมาไม่ได้ อันนี้ก็มาเพ่งพิจารณาเพียงธาตุสีว่ามันเป็นธาตุที่ควรจะบูชาและไม่ควรจะบูชาโดยเฉพาะธาตุที่มารวมตัวเป็นกายธาตุสีมีอะไรบ้างของที่แข็งได้กันเนื้อกระดูกในร่างกายฉันเรียกกันว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายฉันเรียกว่าธาตุไฟ องเหลวมีปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืวน้ำหนองน้ำลายเนื้อเป็นต้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าธาตุน้ำอาการพัดไปในร่างกายที่เรียกว่าลมหายใจบ้างท่านเรียกว่าธาตุลม <c oughs> เป็นอวส่วนใหญ่ของธาตุที่ประกอบก็มาเป็นร่างกายมีธาตุสีสำหรับธาตุสีนี้องค์สมเด็จพระมหาโมนี ให้พิจารณาตามกฎของอ น, นิจจสุนทระว่ามันมีความเที่ยงไหมมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่ประกอบกัเข้ามาเป็นกายมันเที่ยงหรือมันเป็นทุกข์หรืมันเที่ยงหรือว่ามันทรงตัวพิจารณาไปแล้วเห็นว่าสภาพของธาตุสีนี้มันไม่เที่ยง ถ้ามันเที่ยงจริงๆเกิดมาเป็นเด็กก็ต้องเป็นเด็กอย่างนั้นตลอดการตลอดสมัยต้องไม่เคลื่อนมาถึงความเป็นหนุม่มเป็นสาวหรือว่าถ้าจะมาเที่ยงตอนเป็นหนุม่มเป็นสาวมันก็ต้องไม่แก่แล้อว่าจะเที่ยงตอนแก่มันก็ต้องไม่ไดยเป็นอันว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวอยู่ได้อย่างนี้แสดงการของมันว่าไม่เที่ยงเนื้อการที่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือว่าเป็นความทุกข์ นั่งมองนั่งคิดตามความเป็นจริงร่างกายที่ไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งที่มองเห็นง่ายๆว่าไม่เที่ยงต้นต้น ป, นปือมันจอดวันนั่นก็คืออาหารร่างกายมีความเสื่อมไปเป็นปกติแต่ความเสื่อมเจ้าของร่างกายมองไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ถ้าใช้ปัญญายเป็นเครื่องพิจารณาจริงๆแล้วจะมองเห็นชัดว่าร่างกายมันเสื่อมทุกขณะจิตที่เคลื่อนไปวปนเวลาวันเวลาขึ้นไปเพลเขณะใดก็ตามทีร่างกายความเสื่อมก็เคลื่อนไปตามนั้นกายก็เสื่อมลงไปด้วยเห็ความเสียงได้ชัดก็คือร่างกายต้องการอาหารก็ไปคุณเปลยชดเชยก็สิ่งที่เสียไป <c oughs> เสียงบางคําพูดออกมาไม่ชัด ถ้ทางนี้ก็เพราะว่าคอไม่ดีความจริงคอมันอาจจะดีแต่ใจคงจะไม่ดีสภาวะของคอมันมีสภาพไม่เที่ยงแต่ใจที่เขาไปหาว่าคอไม่ดีสแสดงว่าใจเลวไม่ยอมรับนับถือความจริงของคอเมื่อทราบอย่างนี้ก็ปล่อยตามใจของใจปล่อยตามใจของคอปล่อยตามใจของกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมัน ไม่สนใจทำงานสำคัญของพระพุทธศาสนามีความสำคัญกว่าไม่ช้ามันก็ตายตายเมื่อไรสบายเหมือ น, นั้นเจ้าขันห้าที่ประกอบกิความทุกข์เจ้าขันห้าที่มีแต่อารมณ์อกตัูไม่รู้คุณที่เลี้ยงมาตั้งนานแสนนานแต่มันก็ไม่รู้จักคุณไม่มีการยับยั้งการเคลื่อนไหวการทำลายตัวเองมันจะพังเมื่อไรก็เชิญเชิญมันพัง ทั้งเมื่อไร่เลขกคบ ก, กันเมื่อ น, นั้นความสมบายก็เข้ามาถึงสำหรับเทปหน้านี้ก็มองดูเวลาก็เห็นว่าจะหมดแล้วขอต่อหน้าต่อ